เสียงนะัะงธรรมงานทงทุกวันทำในใจทุกวันตลางกายก็ทำทุกวันจ้างความเห็นถูกให้เกิดทุ่งทุกโอกาสเรียกว่าตาพืชธธ ร, รมปฏิบัติธรรม ถ้าจะพูดใหญ่ๆก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือใจชีวิตให้ถูกต้องถ้าใดเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องนักลนี้ิพานธ์จะไม่ว่างจากคนพวกนั้น พวกเราปากันปฏิบัติอยู่ตามหลักสติปัฏฐานเรียกว่ามักฝนนิพพานก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ในด้านธรรมะในด้านชีวิตของเรา แม่มีความผิดมันก็มีความถูกบางทีความผิดทําให้เกิดความถูกต้องไม่เสียหายไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของแม้มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์นี่ว่าวิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ เป็นริงที่น้อมมาใส่เราน้อมเราเข้าไปเชิญคนอื่นมาดูเป็นของอศัศจรรย์ชีวิตเราเนี่ยอย่าให้พลาดซะตืินตะดึกสึกเตือนนมจะได้ประมาท ถ, ถ้าประมาทมันก็ผิดพลาดเสียเวลาเสียชาติ โดยจึงเอาให้สุดความสำนักของเราทำไรก็ตามต้องทำให้จริงแต่ ว, ว่าศรัทธาไม่ทอแท้แล้วก็มีความเพียรแลวมจีจิตใจใส่อยู่เสมอมี่สติจำสัญญาหัดตัวเองฝึกตัวเอง พระพเจ้าก็าบอกว่าน้าโนโค น, นไม้น้นเหลือนว่างไปสู่ที่นั่นไม่ได้บอกเราไปเที่ยวเตยได้ต้อนที่ใดสถานที่สงบเป็นการตอบ ป, ปัญหาคิดของเราได้เยี่ยวปริวิเวกกายวิเวกจังัดกายไว้ก่อน ให้คุกคลีกัน <c oughs> อนหลีกเด้นแล้วก็เมื่อกายเวกแล้วจิตก็อาจจะวิเวกได้ง่ายก็วิเวกทางกายมันก็เป็นที่อยู่ที่ไม่ผิดในความถูกต้องของกายจิตใจก็จะ มีการวิเวกเกิดขึ้นจิงเวรร่องช่วยเหลือเมื่อใจมีวิเวกเกิดขึ้นสงบจากปัญหาต่างๆอุปธิวิเวกก็เกิดขึ้นได้พ้นจากอารนั่นพ้นจากอันนี้เห็นความหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันชวนให้เปลี่ยน เวลาเราเดินอยู่เราก็มีจิตกรรมที่เราเดินอยู่เป็นหลักสูตรอยู่ลู่กับการเดินลู่กับการเคลื่อนไหวหมืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากการไม่รู้จาที่เรากําหนดเรามีที่ตั้งนั่นก็กลับมาได้ไม่ปวดตัว เห็นควมหลงเกิดจากกายนี้ตัวในตนเกิดจากกายแต่ตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องต่างๆมาให้กลายเป็นสุขมาให้กายเป็นทุกข์ที่ว่าวัตถุอาการแต่ความร้อนกับความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความหนาวความเหนีวเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับตาย แล้วก็มีสติเห็นในอาการต่างๆก็มีความไม่เที่ยงมัน <c oughs> กบเกลื่อนในความไม่เที่ยงอยู่กับอาการอาการก็เป็นที่เกิดแต่งความไม่เที่ยงซ่อนเล่นอยู่ก็เห็นมันมัน กบเกลืนแล้วมันปิดแล้วมันข่วงไว้แล้วก็หงายไว้เปิดไว้เอาของเท็จความจริงเป็นยังไงแล้วก็เห็นแช้งเข้าไปเรื่อยๆในความไม่เทีย่ยงในวัตถุอาการต่างๆนั่นไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์มาก ตางทีจะได้มรรคได้ผลจากวัตถุจากอาการจากความไม่เที่ยงจากความเป็นทุกข์จากการมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นแหละอา จ, จเป็นมรรคผลในผ่านตรงนั้นได้จำนี้จานานในความในวัตถุอาการต่างๆที่เกิดกับกายเห็นแล้วเห็นอีกนี่ประโยชน์ ถ้าเห็นใบบอยมันก็ชำนาญในการเห็นกาหนดรู้ในการรู้กําหนดด้วยการละกำหนดด้วยการทําให้หมดไปงันหมดไปได้กวามหลงเกิดจากกายตัวไม้เที่ยงเกิดอะไรก็ตามมันมันหมดไปได้จริงโดยที่มันหมดไปไม่ทําให้เป็นภาระ ล้วก็ตอบเองลูกเองเห็นได้คำตอบมีความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีสิ่งบ่งบอกว่าผิดว่าถูกยังไงแต่คำตอบของผู้ปฏิบัติความหลงเป็นความลูกไปเสียแล้วควา ม, ม่เที่ยงเป็นความลูกไปเสียแล้วความทุกข์เป็นความลูกไปเสียแล้ว ามไม่ใช่ตัวตนกลายเป็นความรู้ไปเสียแล้วมันลงตัวแล้วถ้าได้รู้แล้วถูกต้องแล้วสัมผัส ด, ดูก็รู้ความหลงไม่จริงจังอะไรกมรู้เป็นของจริงกว่าปรามาจิดจะามหลงเป็นสมมุติกมทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็ไม่ทุกข์นี่เป็นของที่จริงกว่าเป็นจตจะัะ ทำดูแล้วเป็นอย่างนี้ตอบเอาเองเห็นแจ้งไม่ประมาทในเรื่องของความไม่เที่ยงไม่ประมาทในความเป็นทุกข์เพราะเราได้สัมผัสดูการสัมผัสนี้มันบ่งบอกถึงความเท็จความจริงไม่ได้กบเกื่อน แต่ก่อนเราไม่มีสติปัฏฐานไม่มีที่ตั้งหลุดง่ายไปอะไรก็ไปเป็นในความไม่เที่ยงก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความไม่เที่ยงในความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ยึดถือเอาเสียเวลาอยู่กับ ความเป็นทุกเสียเวลาความไม่เที่ยงมาคลองกายของใจเรานึกว่าตัวเราซะเรานี่เป็นทุก์เรานี่ไม่มีอะไรเป็นของกิรังยั่งยืนวันหวหลดด้อยอยู่เรื่อยด้วยใจลอยเมื่อเป็ น, นมากๆก็กลายเป็นโรคประสาทได้ไม่มีหลักไม่มีฐาน เหมือนเราไม่มีบ้านมีเรือนไม่มีหลักฐานทางที่เพิ่งอาศัยทื่ทำอยู่ทำกินนี่ก็เลื่อนลอยในทางรูปประธรรมในทางนำมาทำก็ลิ่งเลื่อนลอยไปก ว, ว่านั้นว่าน้ำเหลวเหมือนมีแต่ความหวัง เหมือนคนก็หายน้ำคิดต่อนั้งบ่อน้าไปเรื่อยเพราะไม่มีไม่เคยมีน้ำจะมีอะไรที่จะให้เราเป็นวัตถุสิ่งของพอไปถึงเราจะดื่มน้ำกลายเป็นน้ำเชมดื่มไม่ได้ก็คิดต่อไปอีกมีอนาคตเป็นที่พึ่งปัจจุบันลืมไป ในความในชีวิตจิตใจของเรามันก็เลื่อนลอยเหมือนคนไม่มีหลักฐานคิดพึ่งอะไรอย่างอื่นวัตถุอย่างอื่นไปความสุข ก, ก็อาศัยวัตถุให้เกิดความสุขความทุกข์ก็เป็นวัตถุทําให้เกิดความทุกข์ความหลงก็เป็นวัต ถ, ถุทำให้เกิดหลงเกิดหาแต่สิ่งมาตอบหาอวัตถุมาแย่ จริงๆมันไม่อยู่สติปัฏฐานเนี่ยราหลงไปกลับมาลู้เอาตรงนี้ไว้ก่อนเอาวันสุขวันทุกข์ลู้เข้าไปให้ลู้แจ้งสอดแท่เข้าไปซึมทรัพย์เข้าไปหัดตัว่องอย่างเนี้ยในความไปเที่ยงในความไปทุกข์ที่อยู่กับกายกับ ใจของเราเน่ยถ้าเราสัมผัสดูดีๆมันน่าจะมีประโยชน์ในความบรรทุกถ้าสัมผัสดูดีๆมันจะหัวเราะในความบรรทุกได้ในความทุกข์ น, นั่มมนแหะมันจะเป็นรสชาติของสัจจะอันหนึ่งจนได้พูดออกมาว่าวพุทโธพุทโธปาทโธอ๋อพระพุทธเจ้าแล้วตัด ออกจากพอดตัวพัดโทพัดโทตื่นทุกข์ตื่นทุกข์นึก ว, ว่ามันตัวเราไม่ค่อยจะเห็นกันมาเกิดกับกายเกับใจเป็นทุกข์เป็นโุกปัดโทปัดโทอันไม่ทุกข์ไม่โุกมันไม่อยู่ปัดโทปัดโทขอยันตรงนี้ข่อยตรงนี้ในความทุกข์จะเป็นการ หัวเลาะเป็นความลึกซึ้งหนังเห็นทุกเห็นอริยสัจเห็นของจริงเห็นอันประเสริฐจางนี่แท้ๆความทุกข์แท้ๆความไม่เที่ยงแท้ๆความไม่ใช่ตัวตนแท้ๆมาเป็นมรรคผลแห่งพานจนเรียกว่าพุโทโธตื่นแล้วตื่นแล้วไม่หลับจยกับความหลงไม่หลับอยกัความทุกข์ไม่หลับอยู่กับความไม่เที่ยงไม่ได้หลับอยู่กับความไม่ใช่ตัวตน ก่อนเช่นเรานี้ยิี่ิดชีวิตของเรานีสติปัฏฐานมันมันเป็นเกรดถ้าเป็นการเรียนรังสือเกรดดีดูแลดูอะไรก็คล่องตัวดีแต่เกรดแบบการเรียนมันเป็นสมองแต่เกรดของกรรมฐานมันเป็น สติบัญญาไม่ใช่ไปคิดพบเห็นพบเห็นความมาเที่ยงอย่างจริงจังจะเอะกันเรานั่งสร้างจังหวะรู้สักตัวอยู่ดีดๆก็ไม้เที่ยงเกิดปุ๊บขึ้นมากวางลูกก็อยู่นั่นแล้วจะเอะกันเลยเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ จะว่าสติอินทรีแต่ก่อนสติอินทรีไม่ใหญ่เด็กๆ เ, เหมือนมแมลงกับมแมลงเหมือนงูกับงูมาจินกันได้ถ้างูตัวใหญ่เขาก็จินงูตัวเล็กได้ สติเนี่ยมันใหญ่เราทำบ่ยบอยๆรู้บ่อ ย, ยมันใหญ่ขึ้นเพราะการกระทำวัะความเพียรมันหลงเกลือรู้ตรงนั้นโตขึ้นตรงนั้นแล้วมันทุกข์ที่ใดรู้ตรงนั้นโตตรงนั้นแล้วมันโกรธที่ได้รู้ตรงนั้นโตนตรงนั้นแล้ว ความโตของเจริญของสติปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ใชจเจริญแบบสุขสุทุกทุ ก, กในความสุขมันก็รู้นะ่ะไม่มีรสชาติของความสุขความทุกข์มันไม่มีรสชาติของความไม่เที่ยงความโกรธความหลงแต่ก่อนมีรสชาติ ถ้าโศกก็หัวเลาะถ้าทุกข์ก็ร้องไห้พวมาศึกษาไปปฏิบัติไปความหลงมันมีความรู้อยู่ที่นั่นความโกรธความทุกข์หมีความรู้ตรงนั้นได้ประโยชน์เรียกว่าโตตรงนี้กัน เหมือนเราชินข้าวเพราะเราชินข้าวเชี่ยวอาหารเกินลงไปมันจึงอิ่มเป็นอาหารอย่างดีสมมติมว่าแม่ก้อนข้าวลูกถ้าลูกไปดูจะเกืนข้าวมันก็ไม่โตเอานมใส่ปากลูกไปเกืนนมลูกก็ไม่โต แม่ถึงจะมีความรักขนาดใดถ้าเราไม่ถ้าลูกไม่เกินนมเกินข้าวเขาก็ไม่โตได้เขาไม่ช่วยตัวเองวนจบก็าตายไม่ใช่ความผิดของแม่พระพุทธเจ้าก็บอกเราอยู่ว่าอย่าประมาท ความหลงเป็นความประมาทความรู้เป็นความไม่ประมาทถ้าทั้งหลายจงยังค่ามไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็เอาความหลงหละเป็นความรู้เืนลงไปรู้ลงไปขณะที่มันหลงรู้ลงไปขณะที่มันทุกข์รู้ลงไปขณะที่มันโกรธเหมนโตตรงนี้เหมือนนกอินทรีแล้วก็โตตรงที่มันจับใบบ่อย กินอาหารบ่ยๆต่อไปสติจะเป็นอินทรีย์นิวรณ์ะธรรมจะเป็นบ้านแหลงไปเลยใหม่ๆนิวรณ์ละธรรมยิ่งใหญ่ขวังขั้นได้เวลานิวรณ์ละธรรมคล่อบงามอ่อนหมดเลยเวลามังง่วงมือก็ยกไปขึ้นก้าวก้าวไม้ไปลาย ตาก็เลือนไ่ขึ้นอ่อนไปหมดเลยนั่งก็ล้งโขดหลองงอสับหงอกงอกแยกหมดไปเลยเหมือนกับขวางขั้นไปเลยเห็นเชือกลหลงไปเลยให้ลู่ลู่ไม่ออกมันจะหลับอย่างเดียวดือ้อนี่ว่าทำเหมือนลูกดือ้อนักเดียนดือ้อ คนดือ้อคนดื้อเนี่ยยังพอสอนได้แต่คนด้านเน่ยหน้าด้านสอนยากชีวิตตอนเรา ม, ามันไม่ทั้งดือ้อมันมีทั้งด้านบางทีไม่สอนเลยคอยตามเลี้ยงลูกด้วยการตามใจเสียใจใครหลังตามใจของตัวเองกันไปเสียใจเพราะการตามใจนั่นหลงก็หลงแต่เสียใจเพราะความหลง มันโกรธก็โกรธจะเสียใจเพราะความโกรธมันทุกโกรธจะเสียใจเพราะความทุกข์มันลักมันชังก็ทำตามความลักความชังจะเสียใจเพราะความลักความชังอย่าหมดตัวตรงนั้นให้มันเจริญตรงนั้นหลงเพื่อรู้ทุกเพื่อรู้โกรธเพื่อรู้สุขทุกขเพื่อจะรู้นี่คือสติปัฏฐานหัดตรงนี้ให้เป็นหัดตรงนี้ให้ได้ทําให้ได้ ถ้าบางง่งเหงาหอนอนเกินไปก็ อ, อย่าไปอ่อนตัวนั้นเข้มแข็งตัวนั้นตรงไหลที่มันอ่อนแอเข้มแข็งเอาไว้การสร้างบ้านสร้างเหลือนฐานฐานไม่ดีมันก็ตรงลงตรงนั้นเรื่อยๆฐานเสาฐานไม่ดีอ่อนตรงไหนน้าก็ไหลตรงตรงนั้น มันาน้ำไหลลงตัวน้ำก็ซุดลงไปเรื่อยๆทำให้มันเข่มแข็งให้มีใครรู้ต้องจากตัวหล่อมีเจ้าแยะทางออกจอากในวนาระธรรมอย่าจนรามันง่วงก็อย่าไปจิตใจรับแคบถ้าจะเด็นแสงตาก็มองยอดไม้ไกลๆน้น มองไปข้างนอกอย่ามาโกอบอยู่เวลานั่งทำความเพียรก็มองสายตาให้ใต้ฉากกับการนั่งเงย ก, กันไปก็ฟุ้งซ่านก้มกัไปก็ง่วงง่ายให้มันได้ฉากความสูงกับการนั่งกับการมองไปข้างหน้าให้เท่ากับความสูงของการนั่งมันจะมีฉากสายตาจะอยู่ได้นาน ก็เงยเกินไปก็จิตใจพงุงงซ่านให้แต่เดินจะกองก็จะก้มเกินไปอย่างเงยเกินไปให้ความสูงของการเดินมองไปกับบ่ายเท้าให้มีความยาวเท่ากันความสูงมาเจได้ฉาบโดบปลีกได้ง่ายถ้ามัง่วงเลือนตามาขึ้นมองไปหายอดไม้ต้นยางตะเคียนทอง ออกกันในพยายามดูให้ติดตจ น, น, น, น, นี่คือต้นนั่นนี่คือต้นออกไปสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาตามในใจนอกจากนั่นก็อาจมีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวมือแรงๆสักหน่อย อย่าไปทำอ่อนแรงยก ป, กปกแปลกปกแปลกให้มันชัดเจนเข้าไปยกมือขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะหายไปความม่วงมันก็จะแป็งการสดชื่นอยู่ในขณะที่มันอ่อนอรงแข็งแรงอยู่ความอ่อนแรงในเป็นความทุกข์มันจะความไม่ทุกข์ในความหลงจะมีความไม่หลงในความโกรธจะมีความไม่โกรธใสใจสักหน่อย ในพระสูตก็ตัดสอนแบบนั้นสอนความพอใจและความไม่พอใจในรู้ออกมามีสติมีจำชัญญะมันก็ง่ายๆบ า, างทีเรามาจนเรื่องนี้กันไปรวยอันอื่นเรายื่นมาก็เอาหมดเราต้องสงวนรักัก งวนจะงวนตัวเอาไว้เวลาปฏิบัติอดทนเขาอดทนก็อดทนทั้งขาเวเพียนก็เพียนทั้งขาวมีสติก็ใช้ลงไปแล้วก็มีส่วนประกอบถ้ามีศีนก็ไม่ศีนแตาคิดอะไรที่เป็นทุศีนเอามาจิตใจเพราะด่างพลอยไม่ศีนด้วย หินเคยก้อนเห็นศิลาเคยก้อนเห็นตักแน่นเอาไว้จะหลุดไปง่าไม่หลักไม่ฐานอยู่รูดจึกตัวเนี่ยเอาไว้ตั้งนานๆานเอาไว้อย่าตามความเพียนพวาความทุกข์อย่าทำความเพียยเพ่ยนพวาความอยากทําซื่อๆรู้ซื่อๆอย่าประเมินตัวเองให้ความรู้นี่เป็นเจงบุกเบิกไป รูวยก่อนจะถูกจะผิดรู้ไว้ก่อนมีฐานอยู่ในรู้ไว้ก่อนอย่าประเมินว่าทำไมทำาไมทำไมำไ ม, ไมัเจึงหลงไม่ค่อยได้อะไรเลยอะไรถูกอะไรผิดหาคบตอจากความคิดไม่ใช่นักก ร, รมฐานนักกรรมถานจะไม่คยหาคำสอบจากควาคิดให้การกระทำ พาไปลิขิตไปทำอย่างนี้บรรลกอย่างนี้นตัวนี้จะพาไปแลจะกล่มจาแนกไปจะเห็นช่องเห็นทางไปนี่เราก็สอนตัว่างอย่างนี้ฝึกหัดตัวองอย่างนี้เป็นภาคสนามจริงๆกะตือเดือดร้นมันหลงแหละเป็นเรื่องกะตือเดือดร้น ความง่วงก็เป็นกระตือเย่ร้นายใจมีสติอยู่แล้วต่อรองได้เลยคิดไหลแต่เราง่วงรู้จักตัวอย่าอย่าทิ้งทำ ร, ร, ร, รมะคือความรู้จักตัวนะบัณฑิตผู้ประพฤติผู้ฝึกขนตนได้แล้ว เวลาประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งทำเวลาประสบกับความหลงก็ไม่ทิ้งทำเวลาประสบความโกรธก็ไม่ทิ้งทำยบายความโกรธเป็นความโกรธย้ายความหลงเป็ความหลงยายความทุกข์เป็นความทุกข์จอให้อะไรเป็นไรเป็นตามเรื่องของมันกิเลสปัห้าตระหนักแปดให้มีสติเข้าไปสอดแชกจอดลู่จอดเถร เหมือนผู้คุมงานโทรแมนหรือสถาปัตตูจุดอ่อนถ้าคนงานทำงานไม่เป็นดูจุดอ่อนถ้าเราดูผ่านตาเราเห็นกับตามันก็มั่นใจถ้าทำอะไรไม่ดูไม่เห็น กบเกื่อนได้ช่อนเล่นได้อันตัวเราเนี่ยมันปิดปังได้ให้เห็นมันมันหลงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากมันทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากมันโกรธนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากยิ่งใหญ่ที่คือความหลงตัวผูมันเหมือนมือสามนิ้วความหลงอยู่กลางๆนั่น ถ้าหลงก็ทุกได้ถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าไม่หลงก็ไม่มีอะไรตัวหลงเป็นเหตุเราศึกษาเบื้องต้นจะเจอกับเรื่องหลงชัดเจนเลยไม่หลบลี้เรารู้กายมันจะหลงที่กายก็หลงเกิดจากกายมีเยอะแยะเป็ น, น, นสุขเป็นทุกข์ได้สุขทุกข์ก็มีต่อไปอีก ต่อยอดไปอีกสุขทุกข์ที่เกิดจากกายก็ไปอีกต่อให้หลงไปเรื่อยไปในสุขในทุกข์โยกกายสุขทุกข์กับเวทนาต่อไปอีกแล้วเกิดจุน ก, กายเป็นสุขเป็นทุกข์พอเป็นสุขเป็นทุกขก์เข้าถึงจิตแล้วกองมงำจิตแล้วเหมือนมะเหลง ลายอย่างหลงตาเนี่ยเป็นมะเร็งนะน้ำเหลืองเขาเลงในต่อมน้ําเหลืองก็อยู่กับเลือดกับเนื้ออยู่แล้วอยู่กับเส้นกับเป็นอยู่แล้วมักปจะมีทางที่มันเดินไปน้ําเหลืองเมื่อไม่ต่อมน้ําเหลืองเกิดขึ้นน้ําเหลืองเสียแล้วมาสู่ไข่ลอย ไทรอยก็มีเนื้อก็เลยคอบวมขึ้นเป็นก้อนเนื้อออกจากคอแล้วก็ไหลไปตามตับไปสู่ตับอ่อนก้อเนื้อตับอ่อนเองลุบหลามไปเนื้อตับมันเกิดก้อนเนื้อไม่ปกติก็ปวดท้องอย่างหนักก้อนเนื้ออยู่ในไทรอยมันก็โต ขึ้นเพราะมันเชื่อมัเลเรกก็เป็นก้อนเนื้อโตเร็วขึ้นมาตันหลอดลมหาย ใ, ใจไม่ออกตายไปเลยนั่นป็ยากอะไรความตายนะปับป๊บปแบแบบยวตายไปเลยโลรคารนั่นเกิดคือโรคอนั้นเป็นโรคห่งวัตถุหมอช่วยได้แต่โรคแห่งความหลงนะีไม่มีใครช่วยหราต้องจักช่วยตัวเองโอสุดก็คือ ลูกสักตัวเนี่ยธรรมรัตนังพุทธรัตนังสังฆรัตนังเป็นธรรมะไปเรามาหลงลูกเขาไปช่วยตัวเองให้ไปเข้าไปถ้าไม่หลงถ้ามาลูกตรงที่มันหลงกลายไปช่วทนาไปแล้วไปไกลแล้วไปช่วยกิตก็ไปไกลแล้ว ไปสู่ธรรมเองก็ยิ่งครอบไปหมดเอยครอบควมอิ่มแมมนาจมากตายเป็นอารมณ์ไปเลยนึกว่าอารมณ์เป็นตัวเรอไปเอาอารมณ์มาเป็น จ, จิตใจความโกรธเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจความทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจความหลงเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจิตใจเราก็ถือว่าเหล่าซะ เป็นพบเป็นชาติอยู่ในอารมณ์ไปมากมายโกรธก็ว่าใจตัวเองทุกข์ก็ว่าใจตัวเองรักก็ว่าใจตัวเองเหยีกกดยดชังก็ว่าจิตใจตัวเองมันไม่ใช่เลยก็เรามาแยกตั้งแต่ต้นเห็นกายเชวากายเวทนาจักเวทนาจิตสักว่าจิตธรรมเกวะธรรมมันก็ยังปกติไม่ครอบงามกัน กายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาจิตก็สักว่าจิตทำก็สักว่าทำม่เทสติเข้าไปเห็นให้เป็นระเบียบให้กายเป็นระเบียบไม่ใช่เวทนามาครอบงาไปจบเป็นทุกเวทนาก็ไม่มีอำนาจอะไรอาฉัยเขาแล้วก็มีอะไรที่มันต่อไปมีสมมติมีบัญญัติมีวัตถุอาการ วัตถุก็คือตานี่กับรูปเป็นวัตถุเมื่อตากับรูปสมัมผัสเขาก็เป็นอาการมันไม่อยู่ที่นี่นะมันไปไกลแล้วเป็นอาการไปแล้วมีไหมตาเห็นเหรอเหยียดเลยมีไหมตาเห็นหรอลักเลยมีไหมมีเหมือนกันนะพอตาเห็นแป๊บเดียวก่อนเราจะรวมรักกันเลย ง่ายๆเกิดไรความรักบางทีมันรักโจรผู้ลายด้วยในพระสูตรมีเยอะยเจ้กสาวเศรษฐีอยู่ในปราสาทชัดเกียตโน้นเห็นเขาจะฆ่าโจรผู้ลอยเอาแห่้อ้มเมืองหรือก่อน ลูกสาวเศรษฐีก็แอบดูทางหน้าตาเก อ, อได้เรียนไหมค่ะสูตรเนี่ยเกิดลักโจรสวยดีขาวสูงหน้าตาดีเกิดลักโจรนาทีวันนี้โจก็ขอถ่ายโจรเอ า, าเป็นสามีของตนเอง เท่าไรก็ไทยโจรก็ยังเป็นโจรอยู่ก็อยู่ด้วยกันเราจะฆ่าเมียตัวเองเพราะมันเป็นโจรอยู่แต่คนที่เป็นนี่ต่อต่อไปเป็นภิกษุณีนะเป็นพระหรหนะัน์นะคนคนนี้ย ก็เลยมีปัญญาดอยนะังจะฆ่าจริงก็ได้อยู่แต่ต้องไปพาไปเที่ยวชมหน้าผาไปฆ่าบนหน้าผาจับยนหน้าผาแต่นางนี่ก็ไม่ไม่หลงพรายามมีปัญญาแต่งตัวสวยงามถ้าจะฆ่าจริงก็ให้ฟ้อนลำ ให้สามีนั่งอยู่เนี่ยจะพอนลำเพื่อจะให้สุดความสามารถในความรักพอนลำไใหโดนอนสามีก็ยังคิดจะฆ่าโจจะลำสวยขนาดไหนแต่งตัวดีขนาดไหนมันก็เป็นโจรตัอดีสามีหันหน้าไปทางหน้าผา ปัญญาก็พอนเราไปผักจนลงไปหน้าผาตายไปเลยอันนี้ก็พอมีปัญญาหน่อยแล้วนางนี่ก็ไปบวชเป็นพิกชุนีมาเห็นเรื่องความรักมันหลอกตายเห็นก็หลอกเกิดความรักขึ้นมาไม่เชื่อความหลอกความรักมันหลอกเราความโกรธมันหลอกเราเข็ดหลาม เอามาเป็นบทเลียนฝึกตนเดงฝึกตนเดงจนได้เป็นพระอรหันต์ในภิกษุณีชื่ออะไรไปหาคนดูไป <c oughs> ชื่ออะไรจะไม่ได้นี่พร่สูตรนะนี่บ้างไหมตามันหลอกตาเห็นรูปมันหลอกเกิดความพอใจคือความไม่พอใจหูมันหลอกเกิดความพอใจไม่พอใจพระเจ้าอรจารย์ ทิศาปโามดเนี่ยโลกสศทษมาศึกษาเป็นจำนวนมากพ้อมพ่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่ห่ะะ่่่า่่่่่่่่่ น, ะะน่เ่เ่น่น่่่่่่่่เข้าเดียวกัน่่่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ออหิงสระมานพว่าจะเก่งตัวเขาเแล ว, วางหัวกันหลอกให้อาจารย์ไล่อหิงสะมานพหนีอาจารย์ก็ได้ยินหูเบาเกินไปเชื่อลูกศิษย์ส่วนมากอาจารย์ก็ดูแล้วลูกศิษย์อเหิงสะเนี่ยไม่เป็นคน ที่จะมีแสดงอะไรออกมาเลยเป็นเด็กดีลูกพรามบ้านใหญ่โตกับบ้านอนาถบิณฑิกาเษฐีนั่นเท่าเท่ากันอยู่กรุงสาวัตถีหลวงตาก็ไปดูใกล้ใเชตะวันมหาวิหารได้ลูกศิษย์สับสอก็ไปยุโยง้าไปอาจารย์ก็เชื่อวางแผนข้างหิงสามนก หลอกให้สามานปกไปตายแต่ทีงสมานกไม่ีปัญญาแต่ในสุดทิงสามานกก็มาบวชพระเจ้าไปโปรดเอาในสมัยนั้นครูทั้งหกเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นครูคนที่เก่งยังไม่มีใคร เราเชื่อถือเท่าไหร่กูท้งหกคือใครบ้างนะไอชีกูั้งหกใครบ้างอาจารย์ธิศาประโมทเนี่ยคนนังละใครเอกสนใส่รัตบุทธใครเอกอธิ ก, กรรมพลใครเอกกกุกจักใจนะ ใคอีกมาลิโกสารพออยางไปหาอ่านเอาอันนี้ความจำมาเนะแต่ว่าอันตัวหลงเนี่ยไม่ค่อยจำจากใครเคยหลงมาอย่างสุดๆเคยรักมาอย่างสุดๆเคยทุกข์เคยเกลียดมาอย่างสุดๆก็มันมีวัตถุอาการตาหูจมูกเลี้งกายใจรูปรถกินเสียงมันไม่ใช่แค่นี้นะ เป็นวัตถุกรรมมาคุณเกิดจากรูปเนี่ยเกิดจากนามเนี่ยถ้าเราไม่หัดตามันจะเชื่อมันได้ยังไงพวกเนี่ยดุร้ายนะเราไปยึดถึงก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาถือว่าเราเสร็จแล้วลักก็เป็นเราเกียดติคก็เป็นเราทุกก็เป็นเราทุกข์ก็เป็นเราถามตามความรักความช่างความสุขความทุกข์ เป็นอารมณ์ไม่ใช่ชีวิตจริงๆเสีเปรียบกันแล้วบบด น, นี้เหมือนลูกแล้วเนียก็ไปตายเลยจริง <c> ๆ <oughs> แล้วนี่มัน <c oughs> ตายเลยมีสติเป็นอินทรีย์อันยิ่งใหญ่ <c oughs> นกอินทรีย์ภาษาอะไรอารมณ์เป็นมะแลงตัวเล็กๆไม่อำนาจอะไรกลมง่วง เป็นอะไรเป็นอาการแต่ก่อนเรื่กว่านีวน้วรรธรรมบัดนี้เป็นอาการข่มงอ ห, าหานอนคนมาเลยสงสยัยจิตใจพฟ่องส้านตามมาลาคะปฏิฆะมานาทิฏฐิท่วมยึดบ้านถือมั น, มนในอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนนิดหน่อยแต่เราไม่รู้ว่าล่วงใหญ่มาก ฟัดเหลาหัววัดหมอเปลี่ยนลมลุกคูกันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันมีจริงๆไหมมันไม่มีเคยเสียเปรียบมันไหมพวกเราเสียเปียบของโกรธข้ามวันข้ามคืนไม่ไหมนอนอยู่กับความโกรธความโกรธนอนอยู่ในชีวิตเรามันดีอะไรฮะล้องเปลี่ยนดยสิเวลามันโกรธรู้สึกตัวรู้สิหงัดไปตั้งแต่เนี่ย เริ่มต้นเข้าไปมีกายมีเวทนามีจิตเป็นธรรมเป็นตัวผูบันแยกตรงนี้ไข่ขุนแก่แจ่โซ่ตรงนี้โซ่มันแจ่ขุนแจไม่ไขมันไปมารอดที่พบสี่ชาติโวนเวียนอยู่นี่อะที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดเกิดดับเกิดดั บ, ดบหลอยพบหลายชาติ เกิดลักเกิดชังเกิดกอดเกิดโลภเกิดหลงเกิดทุกข์เกิดทุกข์เกิดจตัณห า, หาหลาคา่คะไม่รูจ้จะจบจากสิิงไม่มีชะละเลยแค่นี้เลอชีวิตเราดีกว่านี้ไม่มีเหลือเกิดบ้าเท่านี้เหลือเกิดบ้าเจ็เจ็บตายเหลือเท่านี้เหลือเวลาแจอก็ทุกเวลาเจ็บก็ทุกเวลาตายก็ทุกเหลือ ถ้ามาแยกตั้งแต่ต้นนี้ไปมันไม่มีความแก่ความเจ็บความตายในชีวิตจริงๆนะมันมีชีวิตจริงๆมาได้ชีวิตพลังนี้จริงๆนาะตามไรจึงพูดไ่าเพราะเคยเผื่มาเนี่ยแล้วเคยตายมาแล้วนะเคยตายมาจริงๆเคยเจ็บมาจริงๆจนได้ อุ้นใจโอยหมอกวผ่อนเดินอยู่ข้างเตียงให้ห้องไอะอยู่คนหมอไม่ต้องห่วงหลวงพ่อหลวงพ่อเวลานี้ชีวิตส่วนตัวประสบการณ์กรรมาฐานหมากับหลวงพ่อเถียนสี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ไม่ต้องห่วงโอกได้เลยแม่หายใจไม่ได้ เรไม่เคยจะเดือดร้อนเราไม่ใช่อาศัยหลอมหายใจเราไม่เป็นอะไรมันปวดตับว่าทไมค่อยเดือดร้อนบระวงปวดตาต่อตาผันต่อผันมันปวดมันเห็นมันปวดมันไม่ปวดมันไม่เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดเท่านเนี่ยชีวิตนั้นอะไรต่างสบายสบาย มันหายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้มันต่อหน้าเท่านี้เท่านี้ชีวิตส่วนตัวจริงๆแล้วมันเจ็บแล้วมันปวดก็มีความเจ็บเด่นเด่นมันโฉบออกมาเห็นมันเด่นเด่นทุกข์แค่ทุกข์กกผมไม่ค่อยเป็นทุกข์เพราะความปวด <c oughs> ตั้งแต่เราแยกตั้งแต่นี่กายมันแยกไปแล้ว เวทนาอยกากออกไปคิดแยกออกไปนั่นก็ไม่เปยนอะไรที่เป็นทำให้เป็นอะไรไปยึงอยากจะพูดให้ให้เป็นสโลปะไม่เป็นอะไรกับอลไรมีได้ไหมเรามันหลงไม่เป็นผู้หลงได้ไหมง่ายๆนั้นโกรธไม่เป็นผู้โกรธได้ไหม มันทุกันเป็นผู้ทุกได้ไหมทัวนี่แหละแยกไปเลยสุดหยังไปเลยคนละโลกไปเลยคนละโลกไปเลยอยู่หนัอโลกไปเลยเห็นมันปวดเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้ปวดไม่เป็นผู้เจ็บมันเริ่มตั้งแต่เนี่ยมันหลงเห็นมันหลงหรือเป็นผู้หลงนั้นโกรธเห็นมนโกรธหรือเป็นผู้โกรธถ้าไม่แยกตรงนี้ล่ะ เปลยนว่าตายเกิดมีมากมายชีวิตเราเนาะขอให้ได้พูดลองนี้บ้างมีเพื่อนมีหมู่มีเม็ดมีสถานที่ก็อยากจะพูดลองในกันตาไปพูดลองในกันว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ยางไงจึงข้าวเสียข้าวเปล่าชาวบ้านเรื่องข้าวเรื่องปลาให้อาหารช่างที่อยู่อาศัยให้ ขอขอแสดงความถูกความผิดที่มีอยู่กับเราให้เราเห็นไปดูออเองชายให้ดูแล้วมันหลงไม่ใช่เรามันหลงคือความหลงสักว่ามันจกมันทุกข์สักว่าจกว่าทุกข์เนี่ยแยกออกมาเนะจะเป็นอินทรีย์อันยิ่งใหญ่จะติอินทรีย์ ใจวันไว้อะไรถูกตนสอนตระไวาจะอยู่ในโลกอย่างงดงามเจ้า่างามต้าไม่ฝึกตรงนี้ก็อ่อนแอถูกทับถมถูกโรกทับถมบุญลาท่านว่าไปเมืองบนเห็นคนสี่ช่างไปบางล่างเห็นช่างสี่คนมีได้นะช่างสี่คนมันจะขนาดไหนคนสี่ช่างขนาดไหน ต่างกันอยู่นะบางบนอยู่ที่ไหนเราบางล่างอยู่ที่ไหนในคิดของเราเนยจิตใจมันสูงเห็นมันสูงเป็นแล้วมันต่ำถ้าเห็นเรามันสูงถ้าเป็นเรามันต่าความทุกข์ความสุขทับถมถ้าเห็นเรามันทับไม่ได้มันสูงขึ้นมาเห็นความโกรธขีดคอความโกรธ เนนรืค่ความทุกข์ขี่คอความทุกข์การขี่คออ่ะหรือเราเราวิ่งแข่งขันกันเราขี่คอคนที่วิ่งแต่คนที่วิ่งพยายามจะวิ่งเราก็ขี่คอมันอยู่มันเจอไปเรากขี่คอความเจ๋อมันเจ็บก็ขี่คอความเจ็บมันจะตาขี่คอความตายนี่ขนขี่ชา่างจะเป็นช่างขี่เราก็โอ้ยลองไห้เสียใจเป็นทะ มีค่าอะไรอ้าวมควรเจรจากาปะ้พร้อมกัน